ถ้าเจามี อ, อมีหนสืนั้นแกงเป็นใจความว่าบัตนี้ขุนควรจะยกไปตีเอามูลเกียจินี่เราไป็นหนสือฉบับแรกนะครับจะให้เรายกไปตีกระหนาบเอาทับกวนอูที่อ้วนเสียเนื้อความนี้อย่าให้แพ่งพลายไปถึงจะรู้ไปถึงกวนอูกวนอู ม, มันจะกระเปลียนตัว เจ้วีอ๋องแจ้งนิสสีแล้วก็ปรึกษาคุณนางทั้งตวงตั้งเจียวสะดุ้งบัญชีก็จึงทูลว่าบัดนี้เมืองอ้วนเสียนะ่ะอับจนอยู่แล้วควรที่เราใช้เอานิสสีเนี่ยผูลูกเก่าทันยิ่งเข้าไปในเมืองอ้วนเกลืโอโกหญินและฐานทรวงในเมืองอ้วนเสียนะ่ะถ้ารู้เข้านเนี้ยก็จะมีน้ำใจขึ้นทั้งนั้นพระเจ้าวีอ๋องคือโตัวโฉกเห็นชอบด้วย มีเป็นการให้กระมานใจแกเราฐานะพวงค่อยกระทำตามค่อยทำตังเกี่ยวในขณะนั้นทางด้านของโจโฉโจโฉเนี่ยศึกษาคุณนางทั้งตัวว่าจะไ ป, ไปตีอเมนิกเกนจิ๋วก็พอดีสู้กวนใช้เลขทหารขี้นังสือมาถึงเธอเจ้าวีอ๋องเธอเจ้าวี อ, อ๋องก็เยหาตัวเข้ามา ผู้ถืนี้สือก็ขมัํามรับแล้วกถวายหนื้สืบแก่พระเจ้าวีอ๋องพระเจ้าวีอ๋องคือโจโฉรับหนี้สืบมาเปรดรีกองดูแจ้งใจความวาบนันี้ซึ่งควรจะยกไปตีเอามอนงนก้ิวนโจโฉแจ้งใจความด้วยเนี่ยก็จริงผู้บัตรซึ่งควรจะยกไปตีเอาเงินกู้ิวแลวนี่เป็นความที่ย้อนลงไปก่อนนะครับแต่เหตุการณ์กล่าวถึงตอนที่ ควนจะยกทัพแล้วก็ดะส่งทหารมาให้ถือรูดีมาเนี่ยแล้วก็จะขอให้โจโฉเนี่ยส่งทัพไปตีกรนากรุงอู่วะโจโฉบอกว่ามันนี้ซุ้งกวนจะยกไปตีอาเมือเกงจิ๋วจะให้เรายกไปตีกรนาทัพกรุงอู่เมื่อขวัญยังให้คล่อายไปคือบจะรูกถึงกรวนอู่กรุงอู่มันจะกลัเปรี่ยนตัว จะาวีอ๋อปรึกษาคุณนม่ทั้งปวกันล่ ะ, ะตั้งเกียวสมุบัญชีก็จึงถูอว่าบัตรนี้มูลเอืนเสียนะก็อับจนอยู่แล้วก็ควรที่จะให้เอานุสือเนี่ยถูนุูงเก่าทังยิงเข้าไปในมูลเอื้อนเสียเจียหินเอกสารทั้งัวนในมูเอื้อนเสียถ้าเดีรู้ความในนุนสินฉบับนี้เนี่ย บางก็จะมีกำลังใจจะมีน้ำใจขึ้นทั้งสิ้นพืเ่เจวีอ๋องคือโจโฉก็เห็นชอบด้วยก็เลยทำตามก็เลยทำตังเฉียวนี่แห ล, ละแล้วก็ฐานรีไปบอกซีเหลืองคือความจริงตอนนี้โจโฉส่งซีเหลืองไปแล้วละ่ะให้ไปบอกซีเหลืองึ้นตั้งอยู่ณทุ่งเอียงโลกเผล่นั้นขนชายฐานไปแล้วโจโฉก็ยกกองทัพเหลืองไปตั้งอยู่ณทุ่ง เยังลบโถเพื่อจะคอยช่วยเมืองอื้อนเสียฝ่ายซีหลงเห็นทหารเข้ามาก็ถามว่าท่านมาดูราชการอ น, นไรทหารก็บอกว่าบัตรนี้พระเจ้าวี อ, องยกกองทัพออกจากเมืองแล้วให้ท่านเร่งยกไปปีกเวีย่อช่วยแก่เอาเมืองอ้วนเสียไว้ใกันได้ขณะนั้นก็พอดีมาใทยมาบอกกับซีเหลงว่าบัตรนี้กวนถึง กวนเป๋งมีลูกชายกวอนอูบัด น, นี้วนกวนเต๋งยกกองทัพมาตั้งอยู่เมืองเอียนเสียเลียวฮัวตั้งอยู่นตำบลสูงทงกวเนเต๋งกับเลียวฮัวสองนายนี้ตั้งค่ายชัดถึงกันได้ทั้งสิ้นถึงสิสองค่ายสี่หลวงเด็กสักข่าวสุดเด น, นก็จินเ์ให้ชีเสียงวิเปียนสองนายสารรองเนี่ย อาธงสำคัญของซีหลงตัดเป็นธงนำคือทำด้วเป็นกองทัพซี่หลงนัแหละเอาธงสำคัญของซีหลงเป็นธงนำยกเข้าปีด้านมาส่วนตัวซีหลงเองนั้นคุณบาทห้าร้อมาตามทางที่ไกลซีเข้าทางด้านหลังเพื่อจะปีเอาเมืองเอื้อเสียคืนฝ่ายอ้วนเสงนั้นเห็นข้าศึกยกทัพมามีธง สอนจาชื่อสิหลงอีกก็สําคัญว่าสิหลงยกมากวนเตงก็ขึ้นมาพาฐานออกรบกับขีเสียงแหละเด็กสามเพลงชีเสียงก็ทําเป็นแพ้หนีลีเตียนก็เข้าต่อสู้กับกวงเตงลีเตียนช่วยโดยหกเพลงก็ทําเป็นแพ้หนีอีกกวนเตงเห็นได้ทีตรงนี้ก็ไล่ตามไปไกลประมาณสองร้อยน เห็นกวเนเต่งไล่ชีเ้เสือกับลีเตียนออกไปไกลาจากค่ายดังนั้นแล้วเนี่ยเปรียบเทีทิ้งค่ายออกไปเลยเนี่ยมีโกนเรืองเสือให้ทิ้งทำละสีเหลือง น, นี่เห็นฉะนั้นค่อยๆเอาไฟเผาค่ายกวเนเต่งไปเลยกวงเต่งขนาดติดตามลีเตียนไปนั่นหันมาข้างหลังเห็นเพลิงไหม้ขึ้นชนั้น กอรูว่านีเขาทำอุบายกับตนน่ะกนยกทั้งกะไปดับเลยก็พอดีพบกองทัพที่หลวงตั้งสกัดอยู่ที่หลวงเห็นเกลนเตมกลับมาก็ร้องว่าตัว่านในท้นควาตายแล้วดินันี้ชื่นเกลนน่ะเขาตีอาวุเกงเกี่วได้แล้วยังมาระเมอทาการดับนี้อยู่ควรเนเต็เด็กควาที่หลวงวาดนั่นก็กรอ ควบม้ารำเงาเข้ารบ ก, กับสีเหลิมกวนเตงนี่ใช้อาวุธชนิดเดียวกับบีดาคือใช้เงาวเหมือนกวนอูกวนเตงเข้ารบ ก, กับสีเหลิมยังได้ทำถึงสามสี่แถวแล้วทหารของสีเหลิมก็โหร้องคืนพร้อมกันกวนเตงนั้นแลไปก็เห็นเมือนเอเียนเสียคือตรงตั้งทับที่เมียนเอียนเสียเนี่ยเมียนเอียนเสือเนี่ย เกิดเพลโมไหมขึ้นเป็นอันมากกลัวเปงก็มิอาจจะรบต่อไปได้ก็ควบมาพาฐานหนีมาค่ายมีขังฝ่ายเลียวหัวสมควรเอือห์เนี่มากับเอือ น, นเปงเนี่ยเลี้หัวตั้งอยู่ที่ตำบลสูทนนะ่ะเมื่อกวนเปงมาถึงก็บอกกับเวนเปงว่าบัดเนี่ยเราได้ยินข่าวว่ามิบองทหารมันกังตัง ยกทัพมาต็เอามนื้อเต็งตินได้เคือแล้วทหารทั้งเสงรีเยเมีอควาาเมียก็จะพากันยอดท้อไปสิถ้าเป็นบังนีแล้วเนียเราจะคิดอ่านประการใดเรียวหัวว่าขึ้นอย่างนี้ควรเป็นก็จริงว่าการทางนี้หาจริงไมมมีเป็นแต่คำคาซึกล่อเลี้ยงเอาหาคนที่จะเจราจ้าต่อไปไหม ถ้าผู้ใดคืนว่าดังนี้อีกเราจะเาโทษถึงตายกวเนเต่งไม่เชื่อว่าจะเป็นข่าวจริงไปได้ครนี้ก็พอดีมาชายมาบอกว่าหมัดนี้สีเหลืองจะยกมาตีเอาไข่ทั้งฝ่ายเหนือซขุนตังดูดีแม่น้ำกลายสีวเนเต่งก็จีว่าไข่ฝ่ายเหนือที่เสียทีไปฆ่าเสรแล้วเห็นว่าไข่ทั้งตัวหนี ก็จะต้องพอยวุ่นวายไปด้วยเพราะจะต้องขัดสนด้วยข้าวด้วยน้ำบัดนี้เราควรจะยกไปช่วยข้าดังายเหนืออย่าให้เสียแต่ข้าศึกได้กเรือรบเด็กฟังควรเต็งว่านมื่อกลับเจ็งทหารมารับษาข้าเพรสมควรแล้วก็สั่งว่าถ้ามีข้าศึกมาตีจงจุดไฟให้เป็นสําคัญเราจะได้ยกกลับมาช่วยกัน ก็ตอบว่าอันค่ายสูงทงลูกเนี้ยเป็นค่ายใหญ่สนามเพาะก็แมงหมาถึงข้าศึกจะบินมาก็เข้าไม่ได้จะกลัวอันใดแก่ข้าศึกอ้วนเตงเยวะเดบฝ่านี้นก็ดีใจละ ว, ว่าขายของตนเข็มแข็งมั่นคงเหลือเกินก็จึงยกฐานไปช่วยค่ายฝ่ายเหนือกันไปถึงแไรไปดู เห็นค่ายค่ายนิ่งตั้งอยู่บนเขาโน้อยนี่เป็นค่ายที่ซีหลงทําเมืองไว้คนเป่งก็ปรึกษากับเลีวฮัวว่าซีหลงมาตั้งค่ายอยู่ที่นี่เป็นที่ชอบกลนนะเราควรจะยกไปปล่มเอาค่ายนั้นในเวลาคืนวันนี้เห็นจะได้โดยง่ายไหลีวฮัวก็จริงว่าข้ า, าเจ้าจะขออยู่รักษาค่ายส่วนท่าน จึงยกทหารไปทำการเถอดครั้นเวลาคำ่ำขุนศุนก็ยกทหารไปไปยังค่ายบนเขาน้นยที่ซีหลงทำเรืองไว้แหละไปถึงก็เห็แต่ค่ายเปล่าหาไม่ได้ใดม่ ก็หนีไปทันทีเนี่เขาแกลง้งทำไว้ก็ถอยกลับคือมาค่ายละขณะนั้นก็พอดีชี้เสียงกับนิเตียนสองทหารของสิหลงเลยยกทหารมารอมาทั้งสี่ด้านเล่นเต่งกับเลียวหัวเห็นจะอยู่ในค่ายนี้ได้แล้วก็ถึงค่ายเสือพาฐานหนีมาไกลแล้วจิแใเห็นทงสาคัญของสิงหลง น, นั้น อยู่ที่หน้าค่ายสูทงที่ว่าเป็นค่ายอันเน้นหมาเนี่ยถึงข่าสุดจะบินมาก็เข้าไม่ได้นี่แหละบัดนี้กลับมาถึงค่ายสูทงนีเป็นของข่าสุดเสียแล้วเป็นของซีเหลืองเสีแล้วก็นี่อาจจะเข้าไปได้ก็จึงกลับมาตัตามทางใหญ่จะกลับไปยังค่ายกวนอูซึ่งตั้งล้อมเมืองเอื้อนเสียอยู่นะ้นก็พอดีพบกับพีเหลืองซึ่งตั้งสกัดอยู่กลางทางาก็รบรอกันม า, านเรียกมาก และในที่สุดกวนเต๋งเรียยว่าก็เข้าไปในค่ายของกวนอูอได้ เสีเสียค่ายของตนเสียค่ายซูโทนมากที่สุดเข้าหนีเข้าไปอยู่ในค่ายกวนอูได้กวนอูก็เข้าไปแกล้งแต่กวนอูแบบนี้นี่เอ้ยกมาตีเอาเมียนเตียงเสียได้แล้วและค่ายทั้งเปองกดเสียไป่ข้าสุดสิ้นแล้วบัดนี้จจโจโจยกกองทัพมาก็เป็นสามทาง จะมาช่วยมืเอเอี้ยงเสียอันหนึ่งข้าพเจ้าด้บินว่านี้บองมาตีอมือเกินจีน๋ได้แล้วควรสูงก็รายงานนี่แหละกูดูดฟังดังนั้นนี่ก็ร้องถึงว่าคำอันนี้หจริงไหมเป็นคำท้าสุข์กันหลอหลวงหวังแค่ถามเราสือน้ำใจอันนี้บงบอง หังเ น, นก็ป่วยอยู่บัตรเนี่ยลบสุ่นนุ่มน้อยออกมารักษาค่าอยู่แทนตัวริบองเราจะลิบตกไปใหญ่มีกอูยังละเมยอยอยู่เช่นนี้ยังคิดอยู่อย่างนี้นี่แหละอูบายลบสุ่นละที่กระทำเข้าไว้แล้วก็สาเร็จเสร็จซุ่นแล้วเนี่ยกวนอูก็คิดอยู่เพียงเท่านี้วันริบองไม่สบายป่วยกลับไปรักษาตัว ลกซุ่มผู้เป็นทหารหนุนทหารใหม่มาอยู่รักษาใข่แหกเขา้ามีมนันสือมานกมอกเวียนอูกนีแหละแผนการของเขาอ่ะขนาดนั้นก็พอดีมาใช้เอาข่าวมาบอกว่าบัตนี้ซื้เหลวงยกกองทัพบัิถึงแล้วเวีนอูรหรื่ยกซืเอหลงยกมาถึงกรเร็เช่นกางเดือนถามว่าพร้อมเดยจะออกไปรบกับซื้อหลงเวียนตึก็จริงะ ดาซิเตัวอยู่แผลเกาทันก็เพียงเพิ่งจะหายซึ่งจอไปรบมะเหน็นจะยังไม่ได้ขวัญอูก็จริงว่าซีเหลงคนนี้ซีมีเชั่วดีก็ย่มแป้งกันอยู่ซีเหลอนี้ถอยคืนยกเข้ามาเราก็จะฆ่าเสียให้ฐานทั้งเตียเตย์กลัวจะเห็นระจับไว้ควัญอูว่าดังนี้แล้ว ก็ฝ่เสื้อกะขีมา้าขี่เงาวออกไปยืนอยู่หน้าทหารทั้งกลุ่ฝ่ายทหารสีหลงเนี่ยเห็นโวยอูออกมายืนตรงงานเช่นนั้นก็คลามกลัวกันทั่วทุกคนแหละโวยอูลแลไปไม่เห็นสี่หลงนี่ก็ร้องถามว่าตัวสีหลงเน่ยอยู่ไหนสีหลงก็ขึ้นมาออกมายืนตรงหน้าโวยอูเหมือนกัน แล้วก็ทํายอกตัวลงหน่อยหนะึ่งเป็นการคำนับละแล้วก็ร้องว่าแกตัวนเอือวแต่ข้าพเจ้าจาดมาก็ช้ามามหลายปีบัดนี้หมดคราวเฒ่าผมก็งอกไปสิ่ ง, งใดซึ่งท่านได้สั่งสอนให้แต่ก่อนก็คิดถึงคุณท่านในวายวันอันตัวท่านเป็นคนดีมีเกียรติยศในแผ่นดีข้าพเจ้าหน้าธรรมวันนี้ มาบีใจหาที่สุดนิดได้มิสิโอมเจรจ า, าดังนี้ปนอูก็ตอบว่าตัวเรากับท่านแต่ก่อนนี้นก็เป็นที่รักใคร่แต่กันหาผูดด้ใดจะเหมือนนี้ได้ครั้งนี้เป็นไรอ่ะท่านจะมาทําการให้ปวนอูเราพ่ายแพ้ดังนี้มิสิโอมก็หันกลับมาถามถานตของตนทีเดียวละ ก็จะต้องโตตอบกันไปย้ายอย่าเนงแหละกวน อ, อูมาถามอย่างนั้นนะ่ะทำยังไงให้รู้เราแพ้มาเนี่ยสิลลงก็หันกลับไปถามฐานน้ำพวงว่าผู้ใดสามารถจะฆ่าอวอูผู้นี้ได้กูจะให้ทองพันตำรึงซีอิ๋วประกาศความเป็นสัตรูเต็มตัวขึ้นจนนี้เลยกวออนอูผูญิงก็ตกใจทีว่าเป็นไรก็ดีมาว่าดังนี้ พีหลงก็ตอบว่านี่เป็นพีขบวนสงครามถึงจะทอบมีไม่ตีต่อกันประการใดก็จำจะต้องทำเอาไทยแตกกันให้จบได้อพีหลงก็ตอบนี้ก็ถูกต้องลนะ่ะกรณีมันรบกันอยู่อะพีหลงว่าแล้วก็ขึ้นมาถืออาวุธคู่มือคู่ใจของตนเลยตีเดียวพีหลงนี่ใช้อาวุธต่างๆกัน แต่วุ้คู่หงคูค่ใดที่แทกจริงของสหลงก็คือขวานใหญ่สีเหลืองถือขวานใหญ่ออกมาเอวนูก็ขีม่ม้าถพเงากระตมา้าเข้าไปรบกับสีหลงรอวนสอูสีหลงสู้รบกันด้วยเพลงอาวุธบนหลังม้าที่ใช้อาวุธต่างกันฝ่ายหนึ่งใช้เงาฝ่ายหนึ่งใช้ขวานต่อสู้กันได้ประมาณ80สิปอ ขบวนรกหาผู้หามม่ผู้ใดจะเปรียบนี้ได้มีจากฉบับเอาพระยาพระครังผมเนี่ยรับรองความสามารถอุลเอไว้แบงนี้อุลเอชำมาในขบวนรกหาผู้ใดจะเปรียบนี้ได้แต่ทว่าตัวลาอยู่คือถูกเก่าทำที่ไหลทั้งกำลังก็น้อย หลงกินต้างทางได้เหตุที่ที่หลงต้านทานวนอูได้สู้กวนูได้ถึงแปดสิบเรก็พวนูถึ่หายไขย้หายเกียจะมาแผลก้าวทานนันมันแหละจึงสู้กันได้ถึงแปดสิบเปอรและขงฝ่ายาเตียงสงก็รูบีดาเป็มปอยู่เกลียจะคูที่หลงไมได้อะก็จึงปีมารออเป็นสำคัญให้ถอยกวนอูอก็ถอยกลับมาไขา้ แต่ว่าการสูรบระหว่างอ้วนอูสีหลาขุณเงาขุณขวานเตอนสองมีสีหลงก็โค่นควนอูไม่ลงสีหลงต้านทานอยู่ได้เพราะอ้วนอูขึ่งหายไข้เหรอทีนี้ข้นฝ่ายโจหินที่อยู่ในมือเอื้อมเสียก็รู้ข่าวสิว่าโจโถคือพระเจ้าวีอองยกมาช่วยเนะี่ยโจหินก็ดีใจทหาร น, น, นก็มีกำลังใจ ก็ยกทัพออกจากมืออเสียแยกกันไปเป็นสี่ทิกและสามหัวร้องขึ้นร้อมกนอันอูนูยินเสียงหัวรงสนา่นวันไหวทั้งสี่ทิกนั่นก็ตกใจขันเกียวยิงก็ตีกระนาบเข้ามาที่หลงก็ตีกระนาบเข้าไปฝ่ายฐาในในค่ายอูนอูนก็ตกใจวุ่นไวายอูนอูเห็นจะสู้นี้ได้แล้วกพทิ้งข่ายเสียขีมา าทาหารหนีไปตามแม่นม้ําำซงกังฝ่ายทิศเหนือทาหารของซิ๋งหย่งเหเ็นกัวอูอีหนีชนิดก็วี่ไปตามมาทึงล้วกัวอู ก, อก็ข้ามนแม่นม้ําำซงกังหนีมาตามพาที่จะไปสู่เมืองเซงหย่งที่ตนตีไว้ได้แต่ก่อน เนะนะมื่อควนอูมือมือไปสู่สซ่เยงแบบขนาดนั้นมาใช่เนี่ยอก็เอามื้ความมาบอกแก ค, ควนอูว่าแับนี้เมื่นเกี่ยวเสียแกลิกบบองแล้วครอบครัวบุตรรรยาท่านเขาก็จับได้สิข่าวจากควนเต็งนนะ่ะมันยังไม่เป็นที่แจง้ง แบันี้มาใช้หมายถึงทหารที่กูดูส่วนปคะกสูตความต่งตางใาประการเนี่ยกูมีหน้าที่รายงานข่าวบเนี่ยมัน่เป็นข่าวาจริงกดแย่งนั้นตกใจก็มีอาจจะไปเซ็อยู่ไหมก็เนมาตามทางีางอ๋อ น, นี่เพราะกางอ๋อง น, นี่ถ้าว่าเป็นของกงกิวก็เองกูผิดเปาฝูยิ้รักษาอยู่ไง กวนอื่นมบสู่กลาอ่านก็ร้ว่าเปล่าหญิงสซึ่งตังยนเมืองกลางอานน่ะไปเข้ากับซุ่มกวนยกเมืองกลางอานมกับซุ่มปวนไปเสียแล้วนี่เป็นข่าวที่กูรูเพิ่งรู้กวนอยิมน้อยใจใหม่น้อยใจใหญ่ละแผลเกาทันที่พึ่งหายนั้นมันก็กลับทพิษึกว่าเกาพิษเกาทังกุมกําเรืขึ้นมา อวนอูถึงพระตกจากหลังมาสรกอยู่หน้าที่นันเองเราทันน้งควนที่ติดตามมาเนี่ย mm hmm. ก็เข้าช่วยแก้ไ ข, ขอวนอูพอติดใจกระทำกันได้จนกระทั่งดนสติสมบรดีขึ้นมาอวนอูก็จึงว่าแต่้องหัวเป็นเหตุทั้งนี้เนี่ยเพราะเราไม่ฟังคำท่านคือ้องหัวได้ท่วมตึงอวนอูแล้ว ก็หันหน้าไปถามมาชัยว่าเมื่อค่าสุดยกเข้ามานะ่ะก็เป็นไรร้านไฟต่างๆที่เราให้ทำไว้อาจิงไม่จุดไฟสำคัญขึ้นตามคำสั่งของเรามาชัยก็เจ้งวะลิบมองแม่ทัพมีการต่างแปลงตลอมแปลงจะนี้ค้าวานิชเข้ามาป้เราทหานก็ปลายใจ ลองจับทหารเพื่อรักษาร้างไฟได้ทั้งสี่จังไม่มีใครที่จะอาจจุดไฟขึ้นบอกได้นี่บอกไวู้ลยวอันนี้คือผมเกิดทุทายด้วยความโกรธถอนใจใหญ่แล้วก็ออกปากว่าเราเสียแก่ความคิดฆ่าสิไหนเราจะได้กลับไปแม่พระเจ้าะจะเรา แกฆ้าสึกอย่างนี้เนี่ยไหมจะกระเป็นแม่พระเจ้าเราตีได้เียมีซึ่งเป็นหมายกองยะเมียงก็กิงพูดว่ะครั้งนี้เราก็อักจนอยู่แล้วเราควรจะมาใช้รีบตะมือเซิงโต้ขอกำลังกองทัพมาช่วยแลวเราจึงยกขบวนบุกขึ้นไปชิงเงินเกินจิ๋วคืน หือเดลกานันก็เห็นชอบเดือคอยมาเลี้ยงกับอีกเกียสองนายเนี่ยคุณมือซไปยืนเซ็งโต๊ะฝ่ายกวนอินก็คุมหารยกจะไปรถกันจีให้กวนตึนกับเลียวหัวเป็นทับหลัง <c ười> เป็นอันวันในต้องมุกวนตู๋เด็ก ไปคืนเกลียคืนให้ได้ติดกับกสนมาเรียนอีเจียไปเซงโตนะ่ะก็ไปขอกำมังจากเล่าปูเลยละทีนี้ก็ฝ่ายโจญิงหรือเจญิงก็เลยก็รับเกรีอูอกเกิดเรเกิดเตอรไปได้แล้วก็มีชชนะแล้วโจหญิงก็มาเฝ้าโจโฉคืนพระเจวีอองณกองทัพแล้วก็ร้องไห้อ่อนวนสารพาพผิดขออภัยเยโท แกลวี อ, องก็กรัสแกเจียงว่าซึ่งเป็นเหตุดังนี้มันเป็นคราวเครากของบ้านเหนืองเราหาเอาโทษแกท่านไหมว่าดังนั้นแล้วแกลวี อ, องก็ประทานรางวัลแกทหารทั้งปวงสามประดาที่มีความมีความชอบแล้วก็ยกมายังค่ายสู้ทนข่ายสู้ทน ท, ที่ควรเป็น เ, นเยววาตั้งอยู่นะ ค่ายข้ามเน้นหนานะหลายชั้นมั่นคง น, นะซึ่งเป็นความจริงโจโฉก็ตีว่แต่ทหาเว่าค่าสู้ทนเนี่ยหลายชั้นมั่นคงด้วเพียงนี้สิเอ๋ยนั้นเอกเราคิดอเอ า, ช, าชนะได้แต่เราใช้ทารมาทึกถึงสสปีเศษคนนี้อาจเอาชนะให้เหมือนสิเอได้เลยอันสิเอนคนนี้ เป็นคนมีปัญญารู้การซึ่งจะได้จะเสียีโจโชหลงจากวิธีสมเสริมทหารของคนเด็กทุกคนเนี่ยมีใจพ ร, พร้อมที่จะจะทำดีเด็กกันทุกคนแหละขนาดนั้นฐามตั้งเตือแต่ก็พอ้อมเสริมที่เหลือเด็ทุกคนแหละแล้วพระเจ้าวีอ๋องคือโจรโฉก็ยกกองทัพกลับไปตั้งอยู่ณที่โคผู้ สี่หลวงรูดังนั้นก็ยกตามไปเพระเจ้าวีอ๋องเห็นสี่หลืองยกมาก็ออกไปรับสี่หลวงมาถึงค่ายเห็นสี่หลวงยกทับมาเนี่จะได้ผิดขือนก็หามิได้คือสี่หลวงนําทับมานี่ เ, นดดนนเป็นกระบวนการทับอย่างเรียบร้อยพร้อมนินิ่้มีความบางอาจใจกันเบิดเสกสามแบบพูดชันะแล้วแต่ประการใดอย่างไรเลยละ่ะ จะวีอ๋องคือโจโฉเห็นเช่นก็ดีพระไทยนะจิงตั้งเหตุหลงเป็นฐานเอกสำหรับปราบปรามฆ่าศึกข้าผิดตายแล้วก็เห็นแหรหัวเซินดู ร, รักษาดินเซินโยนกับสีหลง น, นี่แหละเพื่อที่จะได้ต้านทานกวน อ, อูต่อไปเพราะก็ะห็นว่าหลงนี่แหละที่พอมีฝีมือคู่ ค, ควรกับกวนอูอยู่ สมพรเจ้าวีอ๋ อ, องคือโจโฉนั้นก็ตั้งข่ายอยู่นาที่คอโพคอยฟังข่าวราชการมือเกลียวว่าจะเป็นประการใบฉันงใบต่อไป รวางที่จะไปลุกเก่งจิงวาขาปรึกษาจกเตียวเมี่ยว่าบาัดนี้ทหารสู้เงินก็มาตั้งสกัดอยู่ข้างหลังทหารโจโฉก็ตั้งคอยเราอยู่เรามาตั้งอยู่ในระหว่างสุดช่นนี้แล่กลองทัพพวกเราให้ไปขอก็ยังไม่มา อรนตรการใดดีเบลลีความจริงเป็นผู้ที่มีสติปัญญาแต่คนอื่นไม่เคยเชื่อให้ไปเป็นแม่กองสบเสบียงเช่ ง, งนั้นแหละและวันนี้แม่รู้จะปรึกษาใครแล้วก็ปรึกษาเบลลีนี่แหละเบลลีก็กินว่าเมื่อครั้งลิบอยกมาตั้งเป็นหน้าที่ข่ายตำบลลอกเขานั้นก็นนนนให้มีหนังสือมาถือผน โจโฉเสียบัดนี้ลิบองกลับไปเข้าดิกโจโฉขอท่านจงแต่งทหารไปต่อว่าลิบองดูที่ว่าลิบองเนี่ยจะต่อประการใดอดูดเด็วฝฟังก็เห็นชอบเดียก็เขียนหนังสือให้ทหารถือหนังสือไปไปหาลิบองละ่ะถึงฝ่ายลิบบอง ก็ถามกวนอูมาก็จิ้นออกไปรับเขามาผู้ถือหนังสือกวนอู ก, ก็คำน้าริบองและวก็นิสซุนส่งให้เกลิบงบงเลบงได้แก่งใจความในหนันสือหนึ่งแล้วก็ตอว่านะเลบงก็จีว่าอันตปรเรากับกวนอูแต่ก่อนก็ชอบอัตยาสัยรักใครกันโดยสุจริตผู้กวนอูว่ามาทั้งนี้ ไม่ได้เป็นใหญ่แก ต, ตัวเราแต่ผู้เดียวเราก็หารู้ที่จะตอบคาได้ไหมท่านจงไปบอกให้คิดแต่ที่ชอบเถอะนี่ลิมองตอบไปอย่างนี้คี่ตัวเองไม่ได้เป็นใหญ่คนเดียวเขยังมีซุนเกวนน่ะละและที่ปรึกษาท่านพม่น้ำพงก็วางแผนให้เป็นมรดกทาตามแบบนี้น่ะเอาลิมองว่างนี้แล้วก็แต่งโกให้พู่ตูนซื้อหนึ่งกิมตามตำเนีย แล้วก็ให้ไปอยู่ยังตึกรับแขดมืนฝ่ายบุตรรรยาทหารทั้งตัวและภรรยาคูนอูเดอดต่างคนต่างก็มาถามข่าวที่ไปทัพไปและและต่างคนต่างก็ฝากของไปถึง อ, อ, อยากมิตสามีตัวแล้วก็สั่งให้ไปบอกว่าเราทั้งตัวอยู่ดีกินดีปกติรอ มองหาได้ทำอันตรายแก่ผูดด้ใดไหมฝ่ายทหารที่ทุนสืองมาเอากาะเอรับคํารับคว้ จะนำโอลูเข้ามาค้างฝ่ายทีเขีนผิดพวมานีอลูไปนะถ้าหนพวกกันอยูไม่ฟอกเขาออกมาช่วยแต่มันก็มีดุดใจฉันมากลับเข้ามาพบยอมู่อลูก็ตกใจละกาัมาหนีนมาดเชิงเขาหน้านติดตายเพราเาถคนอยู่บนเนินเขามีธงขาวปักอยู่เขียนเป็นหนักสองตีว่ะชา กวรูครงนีก็ร้องว่าเมื่อครันารเต็มท่ฮ้ยเป็ น, น, ป น, น, นรรมะมด้วยเรานี่คือการทำลายกำลับบงของเวรูเวรูครั้งนี้ามร้องว่ามาดันินก็โกล่วเรื่องขามาติดไปฆ่าคนนักบุญใช่ฝ่ายชีสิ่งเป็นห้องี่อีกสองขั้นสขั้นขอ ง, ของกลา ขีเส้นหงซึ่งกงุ่มงานที่อกเขาสองข้างทางน่ะกระู้นแต่ขึ้นไปไล่ฆ่าคนบนเนินเขาดังนั้นขเ ส, นเนนสนน้นเป็นหง ก, ก, ก็มาถาว่าหน้าวัเอไปนด้ก็จีนเขมตอยูไทสามนายหานีนำำว่าติตามกลมมาทก็มาจนี้ครังเดมขีเส้นเป็นหงสกัหน้าวั ก็มีหนุนมะหุ่นหลังร้องอุลูขไว้ฆ่าท ห, หารที่ยนตังพร้อมกับพลเอกพลเกจนวนไม่ตร้องอุลูขะไ้ขนี้อเหือนามารมดันั้นคนยยนั้นต้องรู้เพื่นไยันไ้น้ม่เรกบอกข ในเราไา ม, ม่ร้มมเรื่องเล็คอมกงว่าแต่ ค, คิดถึหมยยัที่มีเกงิวอ่ะตอนนี้เราจะนำกำลังทตัวมาตียมเกงจิ๋วอย่างนี้อมันยากทีเดียวไม่ท่สุดที่หนีนีไปบางีการมันเลี้งเนี่ยต้องมีความคิดแบบนี้ Thank you. Thank you. ให้เหล่าฮองมึนตัดเหล่าฮองมีนเป็นเหล่าปีมึนตัดมึขาดเก่าคนเก่าของมึนเสฉวนเขาวันนี้ในวันที่เหล่าฮองมึตัดเริ่มยกมาช่วยเป็นการเรยวมึนเสกฉวนใจความสั้นๆแบบนี้ยกเปบนกับเรือก็ลาเรือออกมา มักนก็อสู้แตนไม่สู้เป็นความท้าที่มีนนนนนในการต่อสม้แล้วแต่ถุดซื้มีได้ก็อถอยหนีเก็ออกไปได้เมื่อเมแหวนมื่อ้อนก้งออกไปได้เมื่อตึก็กับคืนเข้าเบืองแตกเสีย เป็นมือซงหรือไงซึ่งต่เามือในตอนู้าตน้ออกมงนยอมเข้าเบย่อเพราเวลาเราทำใบตัดมืองจแล้วถ้าเราตีเนี่ยตั้งคนดีสามเงินงไม่เ็นอสองคแหละแลคนมสองเนี่ยก็รู้วาเป็นแท้แกครสิเราคงไม่ตัดในวิปตุกนันะ ปางระเอาคือโรคกันตัวจากการบายไม่พิสูนมีมูลเสื่อมตายโดยหากสุดตัวนัขแข็งและตัวเองเวหมดกันอันล้ำคุแล้วเมื่อน้ำทักลับไปจะตีเป็นจิวึ้ก็หมายสมเร็จมีหัน้ำวนหนีทับกลับเข้เป็นตเป็นิวเปนชนบบดียวนี้และแบบนี้ก็เป็นไปเคลียก็จะมาขอประมาณปองภับอยู่แหละ เราคงไม้ตัดฟันเ่ยแล้วก็เราคงได่ฟันแล้วนี่ก็เรื่วงทีไม่ควรทอจนแล้วเราคงก็ต่อไปเรืวว่อยาเราจะต้องขอยับยังปิดษากันก่อนเราคงกล่าวดังนี้ร้วยประการใดไรก็ตาม ยังสารกันต่อว่าแล้วก็ห้ีวัวไปดี่ตัวนตมเท้าเจ็กอาวไปแตะครั้ง ยกมาดเต็กเสียค <c ười> <ะ>ุ่งเให้ตามาล้อ้วก็ข้อที่อัที่เกินนะให้เร่องมาช่วยขอองทไปช่วยบงนี้ท่านเห็นแตการใดไม่ตัดก็หยถ้าเหาอมันการต่ามันมีกำมันนะในวันความเดิเก่อยู่ทั้งก้าวเงินนะก็เสียแต่การต่าสียสาอะไรกับดวเต็กเสีย มน้อยอย่างนี้มไม่ปัดว่านี้อ้าหนม่เห็นว่าจะชวกองทพมาน่ะส0่ส้า้อยู่ม่อทีุ่่งโค้โผเราจะยกไปไม่แหมึนจะต้้งทานนี้ได้มันปัดว่ายนี้เราก็คิดว่าเราก็คิดอยู่ดังนั้นะ น, น, นะแต่เออๆก็เป็นอ า, าของเรา ก็ไช่วยเพราเรื่องนันมันคนไม่ป็นก็เลียเาะทีเด่ยวแล้วก็แบทุกข์ขี้ทุกข์ขี้เป็นอันมันก็บมันก็เลี้ยงาเป็นที่จะเนอันใหม ว่าตอนนี้ต้อง้งแล้วขอปรึกษาผมไม่ว่าจะตั้งเล่าห้องหรืองหเป็นเก้าต่างเกลมทาเห็นการหดเราไปปรึกษาผมไม่อยว่าจะตั้งตัวท่านเองเป็นเกล้าต่างเกลมหรือ่เดะูกหลานอันตานี้ก็ไปเจาะที่จะวาดเด็กได้ไหม เรื่องอุกเลว้ยถึงบางคนอยากเทเวินเถิดเพื่จะรับวีที่ม่หาเงา่อนหุ้ยมาว่าเราเป็นเราว่าเป็นชาวบ้านเระดีไมดอะไปเงื่อนหยะยังมีกาเสนอท่านอยู่แต่บางสิ่งเราไม่มาดังนั้นเมื่อวันเสด็จตบถึงก็จะรับผาดละละห้องนี้เป็นคนข่าวโล่งเ่าหาแค่เทเวินได้ เล่นไพ่เด็กเป็นคนต่างคนนี้สมควรเล่นแจกด้วยการดูดเมือน้อยกว่าไว้ใจได้ไหมเพื่อนทีจะออกไปดูดีนุมเถิดดีมากคว่ามาอ่างีก็แป่งอยู่กับคนนั้นตวงี่และหมาปีราวลาวห้องแต่จะมาละเป็นอว่าเป็นอาเป็นอาเท่านั้นนะ วความทั้งสิ้งทั้งปวงบักกล่าวกับเล่าองค์ช่นนี้เหล้าองก็จริงหวังทุกข์ขว่านั้นก็เป็นความจริงอยู่สึ่งแต่ซึ่งคนรอ้ให้ทหามามขอปกำลังกองทัพดังนี้แล้วเราจะคิดอา่านบิดพ้นประการใด้อย่างไรหรอในปากก็จริงหว่า จนไม่รู้ว่าเนี่ยลับอกคนอื่ว่าบาดเนี่ยคนเยอะกั้นใหม่ทดอนกันนะพร้บกรลเนี่ยอห้หารกพรอเข้าไปช่วยเท่านั้นอเป็นการเลยเนี่ยังขาดยเปาคไม่ตังไม่ตป่ที่มีคนชอบคนท่ชอบ เขาตีหเวาขมอแล้วก็บอกว่าี่านจึงจเป็นบอกแกตัง วัเิเคาะห์ได้เนี่ยไดยชีวิตคโอนเป็นที่ยื่นใหอยู่มีร้อ น, นถึงกับสินโคลนถึกับพื้นจนไมกมีไหลทีเดียวแล้วก็ดูว่าท่านมาตัดรอ้อนช่นี้ไม่ยกพราไปช่วยครั้งนี้น่คุณโอจะมีเป็นอันตรายเสียหรืไม่ป้าไม่รู้จุดกว่า การนั้นเก็นจริงครั้นเงี้ก็ประมาณเหมือนปอไฟอันใหญ่และชุ่งแคเราลดไปช่วยนั้นก็เหมือนจะเอามาในจอกน้อยไปดับไฟอมใหญ่จะดับได้ ถ, ไถ้าจงา เ, เร่งกลับไปคอยฆ่ากองทับนีเสฉวนเถดเรีอหวฟังเป่นตะเหล่าห้อง ว, ว่าอย่างนั้นเนี่ย นกใจเย็นนะแต่ก็ซึ่มยิงวอนร้องไห้ยิวอนไม่ช่วยทำต่ำตางๆนานาอีกหประการเหล่า้องวยตาก็ไม่ตอบปรนะการใดคือปฏิเสธถ่ายเดียวแล้วในท้่สุดเหล่าองไดตนะ์ก็ลุกขึ้นสวมเสื้อเดินกลับอัไปข้า ง, นางนะนนะนในชะ่ก อ, อ, กนนะนอย่างนั้นเรื่อยๆดังนั้นนกใจเย็นนะลูกอมตะนี่ทำมันยากทีเดียว แล้วก็กออกมาึ้อกขึ้นม า, นมาโูกครับไปไนะเพือเจ้าเหล่ า, าปียังแดนเสวน ห้องเมนั้นไม่ได้ผลยโแทนมก็พุ่นสูงสุเลยอ่ะเือจะเร่งกลังกทแล้วก็รอลอขนไฟกวนอูซื้อน้มันเกสียกับอาหน่าหัวเราะอยไรพวนั้นแหะก็ตั้คอยอ่คอยกองทัพซ่ราเรีกว่ไปขอเของน้ำมินเหยๆน่ะ ไม่เห็นมามีขสญญนสอบงานไม่มีพวกขาสัสปรายงานท่านบุญก็บอกชําเจ็บป่วยเป็นันมากขนาดนั้นก็ยิงเสียจูกะจิ๋ร้องมาแต่นอกกาแพงด้นยนะถึงตัวกะจิ๋งรอง้อยว่ยงเราจะยิงเร า, า, เ, ราเราจะมื่อความเข้ามาแยงแต่ น, นั้นโ อ, อ้ยไ้ยินนนันก็ร้องห้ามทหารไม่ยิงทหารจูก่ก ชายนมนิ่งก็ เ, เข้ามาทำมาต์รมอื่แล้วก็พูดแบัแบเนี้ส่วนใช้กระดิ่งเก่ามาด้วยกกลมข้ามาเจ้ัเกิดขอว่าแต่ทาสักคนโบราณขันยมวะอันเกิดมาเป็นคนให้รู้จักทีได้ทีเสียคิดนานรักษาตั ว, วอย่าให้มีอันตรายได้อันตัวท่านนี้แต่ก่อนก็เป็นใหญ่ในดินองเป็นจิ๋ว ปัจจุเงจละงั้าขึ้นเวนั้นก็เืากรัซ่แลท่านจมาอยู่ในนทหารก็น้อยทั้งเีากทัพจะยกมาช่วยนั้นก็ไม่มีมไปอยู่กับรเถเดี๋ยวเราจะวพร้อมกับม่ อยาของท่านเป็นปกติเมือนันเดิมกอนที่ข้าพเจ้ว่าทางนี้ขอท่านจะคเิดดูให้ควรเถอดจุงกัดจิ๋มอัดเลือดกล่องมันก็เป็นบอย่างนี้นน เ, นเหเตุผ น, นี้เอื้องเอื้อความจูงกัดจิ๋ว่าดังนั้นน่ะไม่ไดวาดวันไว้แต่ ก, กระทาไดน้ำใจขึ้นปกติอยู่ตุ้ดีต่อ ใายชาทหารเจ้มไก่เหยียอันเคยเาหลอกนีแต่คาสัตยปัญญาพี่มองกันและพูหถึงนีด้วยกันอันเราติดราบไปเข้าด้วยศัตรูด้วนอาหรด้ถึงเราจะแพ้กขอแต่ด้วยความศักดิ์ขึ้นชื่อว่าชาแก้วแล้วถึงจะแตกจะทาลายก็ไม่หายชื่อ ต่ไปได้ไหมถึงเดียวะ ต, ตายโคตรอลาดโคตรชื่ในใจภายหน้าท่านจาพักว่าไปาเลยจะตามไปรอส้เพ่อเธอแต่เราจะขอความสูงครานบีทั้งว่าจะเจ็บซึชีวิตวนตูนตสินใจอย่งยอดาหารแท้สู้ตายหายหนุกจูกระดิมนึงก็จรรย ก็จึงพูดว่าหั น, น, นมนนั่ใจขึ้นของนะคิดแต่ใครด้เป็ไมตรนี้กับผูโดยสุจริตเพืจะช่วยกันทการกำจกัดโจรโฉเป็นรายกุ่ น, น, นห น, น, น, นูท่านมือทรอออาบอยู่เชนนี้รับรวมนันน้ก็ทเกินอกแต่่าตรงกาดกินทีู่นี้ก็เขามาเเกิอ่ี ถึงแค่นี้ได้มีคนเร่งคอน้องชายเขานะทำราชการอยู่ในข้อเจ้าปีถ้ารู้ไปถึงก็จขัดใจถึงไปย่บา